ข้อมูลภาษาไทยเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลื อ, อการเทียบเคียงข้อมูลบาลีเข้าไปนะแล้วข้อมูลทั้งสองเนี่ยเสร็จแล้วนี่ประมาณ 7-8 เล่มได้นะจาก33เล่ม น, นะก็ทยอยเสร็จมาเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยตอนนี้ งบประมาณเนี่ยพอที่จะจัดพิมพ์ในหนึ่งเล่มเพราะเล่มหนึ่งเนี่ยพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยสามสามฉบับมีจะพิมพ์สองพันเล่มนะก็ใช้งบแปดแสนต่อครั้งต่อหนึ่งฉบับสองพันเล่มนะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดก็ประมาณยี่สิบกว่าล้านนะยี่สิบกว่าล้านนี่ยังได้แค่ อย่างละสองพันเล่ม น, นะแจกไม่กี่คนก็หมดละใช่ไห ม, มนั่นจริงๆแล้วประเทศเนี่ยต้องเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลหรือผู้นำประเทศเห็นความสำคัญตรงนี้เงินแค่นี้มันน้อยมากอยอม่างาะประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเจ็ดมันหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยยมันพิมพ์พระไตรปิฎกแจกประชาชนได้ทั่วประเทศเลยแจกวัดได้ทุกวัดเลย ยมเอาเงินเป็นพันล้านร้อยล้านไปสร้างวัตถุได้นะแต่ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนสร้างบทพันชนะนะซึ่งเป็นความตั้งมั่นของพระศธรรมโดยตรงนะโยมดูสิที่นอร์เวย์เขาไปเจอที่ตาลิบันอะไรเห็นไนะได้เอาให้ยมก็ดูอย่างได้ดูแลนะเห็นไะหตัวบทพันชนะเนี่ยมันถูกเก็บไว้นะถูกถ่ายทอดมาแล้วพอเราเอามาเช็คกันเนี่ยมันตรงกันหมดนะม นะท่านมากก็เปรียบเทียบข้อมูลภาษาอังกฤษภาษาไทยให้ที่เขาแปลมาแล้วก็จะมีบทพิเศษาที่ตรงกันเป็นจุดๆจุ ด, จ ด, จดเป็นระยะอิฐหินปูนทายมันสอนอะไรเราไม่ได้นะโยนมนะแต่บทพิเศะเมื่อเรามาเรียงร้อยกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อลูบไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงตาหูจมูกนิ้นกายใจไม่เที่ยงมันสะกิดใจคนเราได้นะ และนำมาไปประพฤติปฏิบัติได้หลุดพ้นได้ตรงนี้ก็ทยอยตอนนี้ก็เปิดเปิดรับบริจาคอยู่ในเว็บไซต์นะก็ไม่กี่วันก็ได้มาล้านกว่าบาทอยี่เหมือนกันอยังไม่พอหรอกนะเปิดมาสามสี่วันสมุดบัญชีเต็มล้น ล้นไปสองเล่มแล้วมั้งก็ดี่าติอมก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็ทยอยนะช่วยกันมาเรื่อยๆนะก็ข้อมูลก็พยายามทำให้เสร็จนะก็จะได้ไล่ๆกันระดะนะีงบมาข้อมูลมามาปั๊บก็ทยอยเดี๋ยวนี้ก็จะพิมพ์ตัวนี้เป็นเล่มแรกนะ ได้ถ้าใครต้องการช่วยด้านแรงงานด้านความรู้ที่ตนเองมีอยู่ก็สมัครเข้ามาเป็นกลุ่มอาสาสมัครได้มาช่วยกันตรวจทานเช่นรูปตัวอักษรเนี่ยนั่งอ่านมีตรงไหนผิดบ้างอะไรบ้างนะันนี้เราก็ทำอยู่แจกกลุ่มอาสานะนั่งไล่เช็คทั้งหมดบางที กุมาาก็เจอบาลีเขียนพระอัอเศเสขาแต่ในนี้เขียนเป็นเสข า, าตบอันเดียวไปคนละเรื่องนะใช่ไหมตอนนี้เราเจอแม้ทั้งบาลีสามรัฐผิดตรงไหนนะก็ช่วยกันตรวจนี่แหละเป็นการทวนอีกเที่ยวหนึ่งนะก็ค่อยๆเจอแล้วก็แต่เราก็ไม่ไปแก้เขานะแต่จะหมายเหตุไว้ เพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในระดับผู้ปกครองประเทศที่สามารถสั่งแก้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นะเดี๋ยวจะถูกตำหนินะแต่หน้าวันใดที่ผู้ปกครองประเทศเห็นด้วยโอเคอนุมัติเดี๋ยวทำให้น่อยงก็ค่อยๆทำไป ขงกายนาภาคประชาชน ty, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็จะจะมีเนี่ยก็มีกลุ่มอาสาเราเนี่ยที่ช่วยทมกันอยู่อยู่ในคอร์สนี่ลองปรึกษากันก็ได้ว่าเข้ามาช่วยยังไงใครยังมีงานอะไรอยู่ มีทั้งตรวจหนังสือใครเก่งภาษาอังกฤษจะช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตอนนี้กำลังแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะก็เอาเลเล็กๆนี่ไปแปลนะดูตามตามเหตุปัจจัยของเราเราถนัดด้านไหนนะสิอือ mm hmm. นีทั้งหมดของอะไรนะอ๋อไม่เล่มเล็กๆนี้จัดมาเฉพาะเป็นจอกเป็นเรื่องๆไงอต้องทำอีกเรื่อยๆนะเล่มเล็กนี้ก็เช่นสาธยายทำจะสาธยายยังไงเพราะเราสาธยายบทที่ไม่ใช่ของภาษาสดากกันทั่วประเทศเลยนะคำใครแต่งก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ก็ทำให้กับ โรงเรียนในกลุ่มวิถีพุทธนะโดยโค้ดรพระสูตรเนี่ยไม่เกินสองสมนาทีเพื่อให้เขาไปอ่านนะหน้าเสาธงได้นะให้นักเรียนทั้งโรงเรียนฟังเสียเวลาเพลงสองสามนาทีทุกวันนักเรียนสองสามพันคนจะได้ยินคำพระศัสดาไปทุกวันนะไม่ต้องใช้เวลามาก น, ะน ส, สาธิตเกษตรก็ขอไปละนะ เราก็กำลังแจกไปโรงเรียนกลุ่มวิถีพุทธเราเจาะเปน็นเรื่องๆนะ่ะอันเนี้ยตามดูจิตสอนดูจิตกันเต็มเลยเนี่ยนะสอนถูกอย่างพู้เจ้าหรือเปล่าผน้่ยพรเจ้าตัดไว้60กว่าพระสูตรในนี้เราดึงมาให้ดูจิตแล้วเนี่ยรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมีแต่สอนให้ทิ้งอารมณ์อย่างรวดเร็วที่สุดไม่เคยสอนให้ไหลาตามอารมณ์ไปการไหลาตามอารมณ์ไปเรียกว่ามีสัญญาคะผิดหลักพระเจ้า ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระที่สอนปิดพลาดก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับพระศาษษสดาตร น, นี้จอเรื่องคารวาชั้นเลิศนะ<ม>พวกที่อยากใช้ชีวิตแบบคารวาช์ที่สมบูรณ์ก็จะได้เอาไปศึกษาเจรานาณาปานาสติก็อย่างที่บอกเบสเซนเลอร์ก็บอกถูกบอกผิดบ้างนะเอาอันนี้เอา อานาปาให้เป็นเบสเสร็เรบ้างได้ไหมยิ่งแต่เรามาศึกษาของแท้กันอันนี้อานาปาทั้งชีวิตของผู้เชา้ารวมไว้แล้วมีแค่เนี้ยนะมีมีครบทุกเล่มที่วัด น, นะครบหมดนะอาณาปาอย่างเดียวถึงวิมุตได้ยมครบหมดแล้ว แก้กรรมนะออกหนังสือแก้กรรมมันเต็มเลยแต่มาย ก, ก็ออกสู่เขามัเนี่ยนะฮะ<า>แต่โดยพัฒถาคตนะอ่าในนี้เป็นวิธีแก้กรรมที่พระศาสดาตัดด้วยพระองค์เองนะก็มั ก, มกวิธีที่ง่ายนะแล้วก็นี่คุณธรรมความเป็นพระโสดาบันสี่สิบก่อนระยะนะ แล้นี้ไปเจออีกสามนัยยะพระไภบุญเจออีกหนึ่งนัยยะและประโต้เจออีกสองนัยย ะ, ยะก็จะมาบวกเพิ่มไปในการพิมพ์ครั้งใหม่นัยยะที่เจอก็คือใครมีธรรมสประการคือเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีการลากความตระนีมีจากค่าการให้การเสียสลัดเป็นผู้ลกความตระนี มีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้คนรในการขอนะมีสี่อย่างผู้เจ้าบอกว่าให้พยากรตนว่าเป็นโสดาบันได้แล้วนะแล้วก็อีกในยะหนึ่งสินห้าสามข้อแรกนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักษรัพ์ไม่ประพฤติปินในกามบกสัมมาวาจาสี่อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจ้าสอดเสียดบกะความเรื่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย สามคุณสมบัตินี้ก็ฟันตรงได้แล้วว่าเราเป็นโสดบันแล้วนะคุณสมบัตินี้ไม่มีข้อสุรายมจะกินเหล้าก็ได้แต่อย่าพูดเพิรเจอร์คำยาบส่อเสียดพูดโปดห้ามนะไม่กินเหล้ายัางเพิรเจอร์เลยกินเหล้าเข้าไปก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมหู้เจ้าไม่มีข้อนี้เอาเงื่อนไขตรงนี้มาแทน โอ้โหยิ่งยากหนักเลยห้ามพูดเพอเจอเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยคุณสมบัติโสาบันเพราะที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช้สเปสะปะัพเช่นไปใช้คำว่าโสรถยานสแกนโสรถยานให้ดูมหใครเรียนอภิธรรมเนี่ยก็จะไปเรียนว่าโสรถยานหรือยานสิบหกซึ่งพูะเจ้าไม่เคยสอนเรื่องยานสิบหก หรือโสรถยานเลยทั้งชีวิตเราไปตั้งเกณฑ์อีกแล้วไปตั้งเกณฑ์การวัดสอบความเป็นอะไรบุคคลกันเองเนี่ยโยมมันมันลามไปตั้งแต่เรื่องอพิธีกรรมนะให้พรไม่ให้พ ร, พรกวดน้ำนะจิปาฐานเนี่ยไล่ไปเรื่อยจนถึงเรื่องของความเป็นอะไรบุคคลเรื่องของสมาธิขันนิขาวิจารณปนาลามมาจนถึงโสรดญานโยมดูสิเนี่ย ผลเสียของการแต่งขึ้นใหม่ผลเสียของการไปศึกษาคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่มันเป็นอย่างนี้แต่โยมไม่ได้จอดละเลอียดลึกซึ้งโยมเนี่ยเอ๊ะทำไมคำสาวกไม่ดียังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยพอเราชี้เห็นชี้ประเด็นเห็นไม่ได้มาว่านั่งว่าสาวกกันเองแต่เพื่ อ, เ, อเชิดชูพระศาสดาว่าศา ส, สดาเราสุดยอดแล้วคุณไม่ต้องไปหาคาของใครหลอก แล้วเวลาคุณแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อผิดเต็มไปหมดเลยนะเราถึงต้องทําการแยกแยกข้อมูลขึ้นมาดงนั้นอย่างเนี้ยไม่พบคําว่าโสรถยานในพระไตรปิฎกนะไม่มีไปนั่งเรียนเดือนสิบปีในะเรื่องยานสิบหกเนี่ยยังจะดูเสียเวลาไหมนั่งเรียนใ้คําที่คนแต่งขึ้นใหม่งั้นอาตมาไม่อยากให้โยมเสียเวลาใครเสียไปแล้วก็โยนทิ้งซะเริ่มใหม่อาตมาก็ ศึกษาคำสาบกมรเนี่ยเกือบยี่สิปีเหมือนกันสิบแปปีเพิ่งมาเจอพทุทโธชนะอาตมาก็โยนของเก่าทิ้งไม่เป็นไรแต่มันก็ทําไม่ได้เลยนะทำไม่ได้รู้ว่ามันผิดยังไงอะไรมาบอกโยมได้ไม่งั้นไม่มีคนชี้จุดผิดเน่ยอาตมาชี้จุดผิดได้เพราะว่าอาตมาศึกษาคำสาบกมาก่อนนะแล้วเราก็เชื่อว่าตรงนั้นคือคําพระเจ้าเดินตามอย่างเนร้อยเปอร์เซต์เลยนะแต่ว่าอา ผิดี่ว่าเอาใหม่อีกนะอย่างเงี้ยหรือบ้างก็บอกว่าต้องเห็นนิพพานกี่รอบกี่รอบนะเป็นอะไรบุคคลไ ม, ไม่มีอีกพู้เจ้าไม่เคยตัดนะก็ลงไปดูในนี้4ี่สิบกว่าวิธีเนะี่ยตัวเล่มเล็กนี่จะเจาะเป็นเรื่องๆในสังคมมีปัญหาอะไรนะเราจะแก้เป็นเรื่องๆยังไปเจออีกแผ่นผัง 31พบภูมิไปนั่งดูโอ้ไม่ใช่พู้ชนะอีกแล้ว <c oughs> มีงานให้ทำอีกแล้วโปรเจกต์เยอะอะไรเยอะนะนะสามารถเข้ามาช่วยกันได้พยมรู้หลักฮะเสร็จแล้ ว, แ, ลวแต่ยังไม่มีจังหวะทำเปน็นหนังสือเพราะตอนนี้งานมันล้นมือนะก็คือพอยมรู้หลักการตรงนี้ยอมก็แค่ว่ายอมก็ไปหาเรื่องพบภูมิ แต่หาเฉพาะจากพุทธวจนะโยมก็จะได้แล้วจับมาเรียงร้อยกันบางผู้ช้าพูดตรงนี้พบนี้อยู่ตรงนี้แล้วบางทีอย่างผู้ช้าพูดมาห้าพบอีกพระสูตรหนึ่งไปลงรายละเอียดในพบนี้ก็มาใส่ต่อกันอีกพระสูตรหนึ่งไปลงรายละเอียดในพบนี้ก็มาใส่ต่อกันอย่างเนี้ยเรียงไปเรื่อยเรื่อนะเราก็จะได้ของแท้ที่พูดจากปากผู้ช้าไม่ใช่คนคิดขึ้นน่ะ ซึ่งมันขัดกันด้วยคนเวลาคนคิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สัรพยุมตนก็จะไปขัดกับพระพุทธเจ้านะอภิธรรมอีกอภิธรรมที่เรียนกันเนี่ยแต่งขึ้นกับหมดเลยนะกว่าจะค้นเจอว่าอภิธรรมโดยความหมายของพระศาสดาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปบุญก็ไปเจอว่าอภิธรรมเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอภิธรรมคาว่าอภิธรรมเนี่ยมีในพุทธวจนะไหมมีม แต่ไส้ในไม่เหมือนกันกับที่เรียนอยู่ทุกวันนี้อภิธรรมที่ผู้เจ้าตัดข้อมูลมันออกมาเต็มเลยก็แยกแยะอันไหนคํำผู้เจ้าอันไหนไม่ใช่เหลือที่เป็นคํำผู้เจ้าอยู่ประมาณสิบกว่าพ ร, รในสิบกว่าพ ร, รนี้ผู้เจ้าจะพูดอภิธรรมอภิวินยัยไม่ใช่มีอภิธรรมอย่างเดียวนะมีอภิวินายด้วยนะวินัยโดยละเอียดธรรมะโดยละเอียด อภิธรรมและพินายคู่กันตลอดเลยมีหนึ่งพระสูตรพูดอภิธรรมคําเดียวเป็นคําตอบละก่อนพูดอภิธรรมเนี่ยพูดหมวดธรรมขึ้นมาหมวดหนึ่งนั่นคือแสดงหมวดเนี่ยคือรายละเอียดของอภิธรรมหมวดธรรมนี้คืออะไรสติปัฏฐานสี่สมปทาน4อิทธิบาท4อินรี่ห้าพระหโพชฌงเจ็อริบักยม8รวมเรียกว่าโพธิปัจยธรรม37นี้คือตัวอภิธรรมที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเรียนอริธรรมศึกษาอริธรรมศึกษาโพธิปัจจิธรรม37จ็บแล้วแค่นี้ที่เป็นโดยพุทธวจนะไม่ต้องไปนั่งเรียนอะไรเจตสิกห้าสิบดวงแปดสิบดวงอะไรไปนั่งท่องกันนะแต่งขึ้นนะเจตสิกพระตรวจแล้วนะมีโดยบาลี9้าคำแค่นั้นเองเยวไม่ต้องไปนั่งเรียนกันหลายปีท่องไม่กี่วันก็ได้แล้วนะ ไม่มีห้าสิบดวงแปดสิบดวงร้อยดวงอะไรนี่ไม่มนะีเนี่ยผลเสียจากการแต่งขึ้นเห็นอนะืมเราก็ไปนั่งเรียนของปลอมกันโอ้เยอะมากเลยโยมนะนี่บอกเขาเล่ให้ฟังเนะย ไปเดินไหนไหม ให้มาติดต่อเธอแจกอยู่ทุกว exactly. ันอยู yeah, ่แล้วในชื่อมงมันไืออะไาไนหนังสือถมีเขาจนวางเิ่มาเลอใขาเ่มใช่บีบถูกใช่ไม่มีนั้นโยงดูสิเมืองพุทธนะเราว่าเราเป็นเมืองพุทธที่ศูนย์กลางพุทธศาสนา แต่หนังสือธรรมะที่ขายในท้องตลาดหรือร้านหนังสือทั่วประเทศหาพุทธวจนะไม่ได้หาคําศรัทาตัวเองไม่มีมีหนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้ต่างคิดเขียนกันขึ้นนะนี่คือการถ่ายทอดที่ผิดของสาวกเราพลาดมานานเลยพลาดมายาวเลยนะเพราะฉะนั้นกลับใหม่กลับไปหาพระพุทธเจ้าเนั้นนี่ถ้าถ้ายังอยากทําหนังสือเนี่ย สไตล์การทำหนังสือต้องเป็นสไตล์นี้พระมีหน้าที่ไปเจาะระบบพระเจ้ามีเรื่องอะไรมีอีกเยอะไม่ใช่แค่นี้มีอีกเยอะมากนะเพราะพระเจ้าเนี่ยตอบปัญหาคนทั้งโลกไว้หมดแล้วความเห็นของคนทั้งโลกมี62แบบถ้าอยากจะทำงานมีงานให้ทำอีกเยอะมากนะพระไม่ต้องกลัวตกงานเลยไม่ต้องไปแต่งหนังสือเอง พูดเองไม่ต้องพูดคำาราศาสดานะแล้วอยากทําหนังสือเจ่ะเป็นเรื่องๆมานะอยากให้ความรู้เรื่องใดกับพุทธบริษัทไปค้นคว้าเรื่องนั้นมาพระผู้เจ้าสอนอย่างนี้นะแค่นั้นเองโยมดัง้นหนังสือเราทุกเล่อจะไม่มีคําอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีอาจารย์ครึกฤทธิ์ก็พูดเองไม่ได้ น, ะตด ะ, น ะ, ะต้องพูดคำพระพุทธเจาพระทุกองค์ในว่าจะต้องพูดคําพระพุทธเา วางหลักการใหม่ให้ถูกต้องแต่ก่อนมันตรวจยากไงโยมมันก็นับเป็นโชคดีของศาสนานะที่มันมีไอ้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วเราเอามาใช้ได้นะไม่งั้นโยมจะตรวจอะไรสักคำเนะี่ยเอ๊ะโสรถยานผู้เจ้าบอกไว้หรือเปล่าโยมนั่งเปิดแบามสิบสามเล่มขนาดนี้โยมก็หมดแรงก่อนแล้วมันก็เอามาชี้ชัดกัน จัดจาตรงนี้ไม่ได้แต่นี่ปุ๊บปุ๊บวินาทีเดียวได้เลยนะเร็วมากมอ่า อ, อีกอีกสักสามเดือนกำลังจะเขียนลงใน iPad iPhone iPod อะไรพวกนี้แต่คูณ i ทั้งหลาย น, ะ, นะอ่าแล้วก็ของบิน o w s ก็เอาข้อมูลไปช่วยทำละทำลงในบิน o w s ด้วยนะ อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธต้องช่วยกันนั้นเนี่ยจ ะ, จะได้ทำให้ศาสนานั้ น, นยอยู่ไปได้อย่างมั่นคงนะไม่มันจะพินไปเรื่อยอนนเราอาจจะเห็นว่าโอ้หมันแก่ยากไม่ต้องคิดอะไรมากแก่ตัวเองนะง่ายที่สุดนะเราทำตัวเองนี่แหละมุ่งมั่นกับพระพุทธเจ้านะ หาหนังสือหาแต่พุทธวจนะปั๊บเนี่ยคนรอบข้างก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเองนะแล้วเขาก็จะมาเดินตามเราเราจะต้องศึกษาตรงนี้แล้วเราจะต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมเราถึงมาสนใจตรงนี้ใช่ไหมอ่าเหตุผลอะไรในแผ่นพับเนี่ยโยมต้องจําให้แม่นนะเพราะนี้คือเหตุผลนะที่โยมจะไปโต้อตอบเขาได้นะอ่าเป็นกําลังให้พระพุทธเจ้าได้ว่าทําไมจะต้องมาศึกษาคําศาสดา แล้วตมายัางต้องไปแนะนำพระด้วยต้องบอกพระให้สนใจคำพระพุทธเจ้ามันจริงๆมันไม่ต้องบอกนะเป็นพระมันต้องสนใจคำพรธเจ้านะเพราะพระเองก็ก็ห่างมานานนะอย่างนี้ไปบรรยายที่สุลินนะที่สุลินก็พระเจ็ดร้อยองค์นะก็ไม่รู้จกักพุทธวจนะอีกเหมือนกัน ที่บุรีลำนะอีกสี่ร้อยกว่องค์ก็เหมือนกันไม่รู้จักพุทธวัจนะอันนี้ที่บุรีลำก็ที่ทําดาวข่าแก้วนะอีกสามสี่ร้อยองค์อุบาสกอุบาสิกาอีกสามสี่ร้อยคนเหมือนกันหกเจ็ดนระ้อยก็ไม่รู้จักพุทธวัจนะ ก็ได้พระที่เข้าใจมาสามร้อยกว่าองค์ที่มาข อ, อาข้อมูลและขอร่วมที่จะเผยแพร่ด้วยนะก็จำนวนประมาณหนึ่งร้อยวัดนะก็คงต้องให้เวลาท่านในการศึกษาอีกสักห้าปีสิบปี จะช่วยเป็นกำลังได้ว่ราะตัท่านก็ต้องเริ่มศึกษาใหม่เคลียร์ของเก่าปรับระบบระเบียบในวัดใหม่นะกว่าจะปรับกันได้ก็คงจะเอาเรื่องอยู่อย่างพระนัตพลเขียนคำถามมาในเว็บไซต์มาถามปัญหาในทุกค่ำวันเสาร์ท่านก็บอกว่าท่านทำอยู่องค์เดียวในวัดไม่มีใครทำตามพุทธเจนะเลยนะที่วัดหนองจอ นั้นก็จะมีพระที่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเป็นกำลังให้ผู้เจ้าด้วยการเดินตามผู้เจ้าคือพระจะมีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้ที่รู้แล้วไม่ทำก็มีไอ้ที่ไม่รู้ก็มีนะและคิดว่าอันนั้นน่ะคือถูกแล้วก็ทำตามมันไปเลยนะเราเราก็จะได้กลุ่มพระที่อยากรู้แต่รู้ผิด อยากทําถูกแต่ยังทําผิดอยู่พวกเนี้ยได้พวกเนี้ยมาเป็นพวกมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ตั้งใจทําตามผู้เจ้าต่อไปก็จะถูกพากในวัดเดียวกันกันแนะกันแหนะ่เนะอ่ยพูดสอเสียดอะไรกันอย่างนี้อืมก็ออกให้ท่านอดทนไปไม่เป็นไรหลักฐานข้อมูลเรามีเราทําถูกต้องใครไม่ทําตามผู้เจ้าคนนั้นต้องเปลี่ยนสิไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนไปทําตามผิด ใช่ไหมคนผิดต้องปรับตัวเองมาทําตามถูกต้องอย่างนี้น <c oughs> ก็กำลังกระจายขยายไปเรื่อยๆนะจะมีพระจากหลายวัดที่ขอหนังสือขอซีดีขอข้อมูลมาเราก็ส่งให้ตลอดนะ <c oughs> าาเป็นเรือร่องความเชื่อทาว่าิี่านาสก็ไม่มีอะไรเนี่ยไปทำอะไรลหละอาตมาก็ไม่เคยไปครัทักทีอาตมาก็ไม่รู้ว่ามีการไปเขาพิชกูลไปทำอะไรอะไรยังไงใช่ไหมก็ไม่ต้องไปสนใจเราอ่านแต่คำพัะสาสา โยมขยีคำว่าเขาคี้ชะกูดไปก็ได้แล้วก็ดูสิปุ๊บออกมาผู้เจ้าสอนอะไรเกี่ยวกับเขาคี้ชกูดใช่ไห ม, มก็แค่นั้นไม่มีก็จบไปอะไรจะไปไหว้เทพอันนี้ไปไหว้พระมณีทไปไหว้รูปปลอรูปปั้นอันนี้โยมตามไม่จบหรอกะทําไมก็ต้องไปไหว้ชูชก ค, คะจะไปรู้เหรอืมก็ไปถามไม่คนไหว้สิใช่ไหมมันก็อู้ฮิตกันไปแต่ละอัน มาแล้วจะทุกขามเทพโน้นเทพนี่นะเดินพาเหรดกันเข้ามานในประเทศไทยกันเยอะไปหมดเลยคิดประดิษฐ์กันขึ้ น, นง่ายๆแค่นั้นเองยอมเชื่อศา ส, สดาฉันเก่งสุดจะเทพอะไรก็ตามตายเรียบใช่ไหมมีอายุขายหมดน ะ, นะอู้เจ้าประเสริฐสุด พวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เหมือนกันพอผู้เจ้าตัดสรูวแล้วผู้เจ้าก็บอกท่านไม่เห็นใครในโลกที่ท่านควรกราบไหว้พวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบผู้เจ้าเพิ่งอายุสามสบห้าตัดสรูวแล้วก็เลยบอกว่าได้ข่าวว่าสมณะโคดมเนี่ยไม่ไหว้ใครในพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการสมควรแล้วหรือเดี๋ยวจะแก้ยังไงใช่ไหม ก็ เ, เอาความแก่ความเท่าเป็นเครื่องวัดเนะี่ยพรเจ้าก็บอกว่าพรามนะแม่ไก่เนี่ยมันออกไข่มา8ฟองสิ 10, ฟอง1ิองฟองก็ดีนะลูกไก่ตัวใดใช้จะงอยเล็บหรือจะงอยปากจกาะกระป๋ะฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรสมควรได้รับการเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพรามก็บอกใช่เนะ นะเสร็จผู้เจ้านะล็อกเลยนะ <_ S 1> ก็บอกว่ า, าปรามทตาคตเนี่ยจอะกระป๋อฟององวิชาออกได้เป็นคนแรกเข้าถึงความไม่ตายอมาตะธรรมนิพพานไม่สมควรที่จะได้รับการกราบไหว้บูชาเป็นคนแรกหรือ <_ S 1> ใช่ไหม <_ S 1> อย่างนี้นั่นนี่คือเหตุผลที่ผูเจ้าให้กับพรามใช่ไม ไม่ได้วัดกันที่ความแก่ความเท่าแก่เท่าคุณก็ยังไปนรกกัมเนศิชานเป็นวิสัยแต่ผู้เชา่าหลุดพ้นแล้วจากสังสารวัตรเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นีนน่นั่นถ้าอยะถ้าโยมเป็นโสดาบันแล้วโยมจะไปวิ่งหาไหว้เทพอะไรอย่าเงี้ยมีแต่เทพพยไยดย้จะต้องมาไหว้โ ย, ยมใช่ไหมเพราะโยมเนี่ยรู้วิธีถึงความไม่ตายแล้ว เทวดาทั้งหลายเขามานั่งฟังธรรมพ่ออะไรก็เพราะว่าเขายังตายยังต้องตายและธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความตายได้อิทธิปฏิหารช่วยได้ไหมเหาะได้ช่วยได้ไหมหายตัวได้ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้โยมก็ยังตายอยู่ดีนะนั้นโยมต้องรู้ให้ดีนะว่าวิชาอะไรช่วยให้โยมหลุดพ้นได้ไม่ใช่มานั่งดูจิตคนโน้นคนนี้แล้วก็หลุดพน้นยิ่งหลุดพ้นไม่ได้ โยมไปตื่นเต้นโยมก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีเนี่ยจะตื่นเต้นไปร้อยเที่ยวพันเที่ยวโยมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วใช่ไหมฉันก็ยังต้องตายอยู่ดีนะเนี่ยเพราะนั้นโยมมาต้องรู้อริยสัจสีนะรู้ธรรมะพระศาสดาอย่างนี้ซึ่งพระเจ้าบอกมนุษย์น้อยคนนักจะเห็นว่าเนี่ยคือปฏิหารนะไอ้เนี่ยแหละปาฏิหารแท้จริงเนี่ย อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้นะนี่แหละสอนอย่างนี้แหละคือถูกต้องนะและคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นั่นแหะปฏิหารผู้เจ้าคุยเรื่องปฏิหารกับพระอนนนะคุยเสร็จแล้วผู้เจ้าอนุ์ เนี่ยยังไม่ยังไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลยนะ <c oughs> สั่งให้อานนท์จำไว้ว่า น, นี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคุยเรื่องปฏิหารส ร, รพัดไม่อัศจรรย์เลยแต่ให้พอานนท์จำไว้สามอย่างหนึ่งตถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นบิตกหรือสังขารนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นสมอย่างเนี่ยบอกเนี่ยนี่คือความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เจ้าเก่งทุกเรื่องเลยจะอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์อัศจรรย์ในการเห็น3มอย่างเนี่ยซึ่งเราก็เห็นอยู่แต่เราไม่เห็นบอกอัศจรรย์เลยใช่ไหมเพราะการเห็นสมอย่างเนี่ยมันเป็นไปพร้อมเพื่อสติสัมปชัญญะและถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรโยมกําลังจะได้มาซึ่งวิมุตต์นะผู้เจ้าบอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติ ยมฝึกสติยมกําลังได้วิมุติอยู่ตลอดเวลาสติคือการระลึกได้ก็คือการละนันทีนั่นเองละลมปั๊บกลับมาอยู่นี่สติการระลึกได้กลับมานี่ยมผ่านนิพานตลอดเวลาเลยนะเพราะจิตที่เกิดดับคนละดวงนี้จิตตรงนี้ดับตรงนี้เกิดต้องมีลอยต่อเราเนี่ยผ่านลอยต่อของนิพานเนี่ยหนึ่งในล้านวินาทีปับป๊บปับปบ๊ตลอดเวลาเลย เข้าไม่ได้สักทีเพราะเราไปพอใจวิญญาณนะนั้นโยมเลิอพอใจกันห้ามมเามื่อไหร่โยมความวิมุตติได้ทันทีนไหมนั้นฝึกอย่างเดียวฝึกสติดึงกลับมาดึงกลับมาเรื่อยๆหนะลันั้นทิตั้งจิตอยู่กับกายก็ไว้แค่นั้นเองหลักการไม่ซับซ้อนอะไรแค่นี้แต่โยมจะทําได้ได้ดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ความเพียรของโยม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 ภาคเพียรบกักบักมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็นะ ข, ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปราลบความเพียรต่อไปนะจนเข้าถึงมรรคนิพพานแลนะขอให้ได้รวงตาเห็นสมบูรักมรรนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน